เตินใจให้อยู่กันอย่างร่วมเยินเป็นสุขไปมาสายกว่าปกติถ้าเป็นลักคนพระใหญ่ก็มักจะสายเพราะมีกิจอย่างที่ว่านี้ถ้าเป็นวันพระเล็ก็จะไม่มีจะไม่ได้ลงปฏิโมกชันเสร็จตอนเช้า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 มีการเปลี่ยนไปเดี๋ยวว่าขยับไปทางซ้ายเดี๋ยวว่าขยับไปทางขวาเหมือนกับเรือเล็กๆที่เราเ ย, ยงอยู่ในน้ำนะมันก็จะมีแต่ทำให้เราล้มอยู่เรื่อยๆแล้วพึ่งลาบยศเสริญนพึ่งตาหูจมูกมิ้งกาเพึ่งรูปเสียงกลิ่นรดมันก็ทำให้เรามีขยับล้มไปล้มมา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 มันไม่คงเส้นคงวาเหมือนเดิมเวลามันเปลี่ยนแต่ละครั้งก็เกิดความวุ่นวายใจตามมาเพราะเราไม่รู้จักจุดยินที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจุดยืนของใจที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือความสงบของใจนี่เองถ้าก็าไปอยู่ในความสงบความนิ่งของใจได้ใจก็จะ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 แฟนไม่นอนมันฟูกหนาะๆนะดูซิว่ามันทุกข์ไม่ทุกข์นั่นแหละเวลาไม่ได้เสบรู้รเสียงกลิ่นลดโภชภาพมันก็เหมือนกับคนไม่ได้เสพยาเสพติดดีๆนี่ของทุกอย่างที่เราเสพอยู่เนี่มันเป็นยาเสพติดแต่เราไม่เรียกมันว่ายาเสพติดเพราะว่าทุกคนเสพกันก็เลยเรียกมันไม่ได้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 ก็ไม่เรียกว่ายาเสติกชาก็ไม่เรียกว่ายาเสติกเครื่องดื่มชนิดต่างๆมันก็เป็นยาเสษติดเหมือนกันแต่ความมีแรงมันอาจจะไม่เท่ากับยาเสติกงั้นถ้าอยากจะไม่ต้องมาล้มไม่ต้องมาทุกข์กับสิ่งต่างๆก็อย่าไปอาศัยสิ่งต่างๆ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 ทรงท้อพระไทยไม่สามไม่อยากจะสอนใครพอมองไปเห็นพวกที่ติดกับลูกเสียงกิ่นนสดลืมไปว่ามีคนบางคนบางกลุ่มที่เขาไม่เสริรลูกเสียงกิ่นนสดก็คือพวกนักบวชทั้งหลายนักบวชที่ใส่วิเวก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 รักษาไว้ย่าให้ความอยากมาฉุดลากออกไปหาความสุขในรูปแบบอื่นเพราะออกไปแล้วมันจะเสียสูงมันเหนยกับยืนอยู่บนบกแล้วดินลงลงไปยืนอยู่บนเรือเล็กๆที่โคลงไปโคงมายืนอยู่ตรงไหนจะสบายกว่ากันยืนอยู่บนบกหรือยืนอยู่บเงเรือเล็กรือทายเล็กๆ ต่างกันฉันใดธาตุใจของพวกเรายังต้องยืนอยู่บนราบยศสรเสริญยืนอยู่บนความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ใจของเราก็จะต้องล้มไปล้มมาอยู่เรื่อยๆเหมือนกับคนที่ยืนอยู่บนเรือที่โคลงไปโคลงมาถ้าไม่มีอะไรจับเดี๋ยวก็ล้มตกน้ําลงไป <c oughs> ดังนั้น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 มีความแรงมากกว่ามันเดี๋ยวมันก็อ่อนแรงมันก็แพ้เรเงเวลาสู้กันอะเวลานั้นเครียดเขาก็ดึงความอยากก็ดึงให้ออกจากความสงบอสติ ก, ก็พยายามดึงหรือปัญญาก็พยายามดึงให้มันอยู่กับความนิ่งนี้ต้องทดลองพลังกันกำลังกันฝ่ายไหนมีกําลังมากกว่าฝ่ายนั้นก็เอาใจไปถ้า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 ขอขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาเลวะหาภูราปาริภูเรนติสากะลังเอวะเมวะอิตูจินังเฟตานังอุปกัปรปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตัาพเพปเรนตุจังกะปา จันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโเววาจจันโตสัพพะโรโควินาศสตุมาเตภวทวันตราโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนศีริสะนิจังวุฒาปจายโน ท า, า, ายาากถามอะไรครับเอาเอาถ่ายลูกถอาลูกไปทำอะไรรูกบรรดับความทุกข์ไม่ได้นะเวลามีความทุกข์มองเห็นหน้าเราบดับไม่ได้นะ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 And It's only really one way to do it is to study the the teaching of the Buddha, That's mm. well, which I do keep, anyway. Keep know. studying, especially from those who are enlightened. Mm. Because, h v o do. h a e do. a t h a e o a to o We have to We a t i do. e t do. w have to d a e t t o h a to We h to o e h e t w a t e t h a t h a v to d e a to o have to have t a a t o o w o w do. do. t e t o o w t t w a t a e t o t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 Knowing what you do, give you what y o u then decide, yeah, determine yeah. what you should be doing. See, you say working, getting money, you you have money to buy things. But what happened when you get all these things? Well, are, you, are you any happier? No. Are you? Any, you n w know, while you meditate, you are more happier. You are more peaceful. Why don't you spend more time doing this? Right, yeah, so it's a matter me. of.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 I'm not interested in anybody else. Yeah, I'm oh. okay. okay, not i n t e r your e s t e o in a n y e o d y else. Yeah, more more or l e Okay. Yeah, I'll read a bit more. I'll... Anything more? And e o l o o t h uh, i k i n g t a l s m t h e e o r l e l h o like to d t i to h i k e t a y i to e a d e y l i o They o r They a d e y e read. t e y like r e They like t t e r e a t i k e t h e read. e y a d y l i k r a d t e r e l e a t o t like t h k t h e y like a t l i t a i t r e a h a t y o a i d e o r e They e a t i t h l i a l read. y t h e e o i k e t h a t i t a i a t i o People, you know when the deep b u d d h i s t can't talk behind all the shouting and e e r t h i n You e a n you, mean all the e u l i p t h e n s right? It's <laughs> not e u l i p t i e n oh All human beings are not the same. t s a human nature. <laughs> they like to criticize other people, but they don't like to criticize themselves. Okay. If we all criticize ourselves, we would all be better off. Okay, I don't know what to k y h i s s u l i i ก็เลยทำมามีหนังสืออ่านมีหนังสือเล่มเล็กๆอ่านง่ายๆนี่นี่เล่มสีเหลืองนี่เป็นหนังสือแบบธรรมะสั้นๆอ๋อค่ะไหนดีแท้แท้คดีดีทุกเล่มแต่มันมีเอาไปทุกเล่มเลยถ้าอยากจะศึกษาก็เอาไปทุกเล่มมันมี เหมือนแกงเผ็ดบ้างแกงจืดบ้า ง, งขนมบ้างเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนมีแต่แกงเผ็ดอย่างเดียวก็เหมือนเข้าเลยมาแนะนําให้ทําขมุนทำขนมบ้างต้องศึกษาเนาะนถ้าไม่ศึกษาก็ยังจะไม่เข้าใจก็ไก่ขอสไทอ๋อจบขมกุศลสิบเ็ดโมงสเสียเนยวันนี้ทำงานอย่างไหนหน้าเปไหน ไม่ตั้งแล้เนี่ยของแจกนไม่ได้ขายก็จะพยายามมาให้ด้วยทุกเดือนพวกเรามันถูกกิเล็หลอกอ้างนู่นอ้างนี่กันออ้างว่าไม่มีบารมีมากไม่ได้ทําบุญมามากง้างอย่างนี้มันก็จบสิมันก็ไม่ต้องไปเพราะมันกลัวมันเหมือนกับเวลาจะไปโรงพยาบาลเนี่ยโอ้ยต้องหาเรื่องอ้างนู่นอ้างนี่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 เราอยากให้มันมาตอนนั้นให้มันมาตอนนี้เลยทำตอนนี้ทำก่อนที่มันจะมาเวลามันมาแล้วมันจะเป็นอุปสรรคเดี๋ยวก็ต้องไปหาหมอมาอยู่วัานได้สองวันก็ออกไปหาหมอเองแล้วบทีก็อดอาหารเย็นไม่ได้หมอให้กินยากินยาก็ต้องกินข้าวเย็นก่อนถ<ร>ึงจะกินออมันก็ไปหมดแหละยุงกดวันฉันค่ะก็แต่ออกงยาต่า คือสะพานฟันนะคะสะโพอสะพานนี่มันไม่มีมานาดแล้วจริงๆมันก็ไม่สบายก็ยังไงก็ต้องมาแล้วต้องอยู่ไม่พบไม่ไม่ออกไปก็ได้ฝากให้ผมซื้อยา่าเพิ่มดีต้องมีสัจจะต้อง <Okay. S 2> มีสัจจะอธิษฐานแล้วต้องมีสัจจะตั้งใจจะทําอะไรแล้วต้องต้องทำให้ได้อย่าปิ้นก้อนอย่าหลอกตัวเอง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 หลอกตั้งให้โกโก้ให้รู้สึกสบายเะไรไหมคุณหมออาจารย์หมอตอนนี้เขามีสติเร็วขึ้นแล้วค่ะนากิเลสาตั้างทันเลยไม่ทันหลอกมันหลอกเราต้องตลอดยีสบสีชั่วโมงเลม่ถึงบ้านแรงๆแล้วอกด้วยแรงๆให้ตัวไม่แรงตตัวละเอียดนี่ยังหลุดอยู่ตลอดแล้วก็ปฏิบัติที่บ้าน สามีก็ตัดทิ้งไปแล้วนี่ก็กิเลสอีกตัวหนึ่งมอง <laughs> <laughs> ไม่เห็นเนพะอเป็นสามีแล้วไม่เป็นกิเล <laughs> <laughs> สไปเลยก็กิเลสเนี่ยทาให้เรามีสามีไม่ใช่เหมตนน <c oughs> ้องศึกษาเนียกิเลสจริงๆมันมีนอะไรบ้างมันรอบตัวเราตลอดเวลาลัดตัวเราอยู่ตลอด24ชั่วโมงเนี่ยแล้วเราไปบอกว่การู้ทันกิเลสนะแล้วฟังแล้วมันคขำ ถ้ารู้ทางกิเลสมันก็ต้องมาโกนหัวนุ่งขาวหวงเขาวอยู่นี่แล้วแหละมึงเจาแล้วกูกูตัดมงหมดเลย <c ười> ใช่นะ่ะถึงก็รู้ทันจริงไงวันแรกนะที่ไปกาวงตาบัวก็คุยกับพี่เป็นสวัสดใกล้ๆอย่างเงี้ยบอกว่าหนูรู้สึกว่าหนูไม่มีกิเลสนะฉ <c ười> ลาดท่านลังตาอยู่กายมาสมควรนะโอ๊ย พอแล้วนี่มันโง่นะจงกิเลสมันโง่มากไปถึงไหนแล้วออบอกว่าไม่มีกิเลสหนูสะดุ้งเลยหมอสะดุ้งเฮือกเลยนั่นแหละน่ากลัวนะครับคนเอามาบวชยังยังมีกิเลสแล้วแล้วคนไม่บวชนี่มันจะไม่มีกิเลสได้ยังไงออกตัวเองพวกที่ปฏิบัติวอาไม่ต้องบวชก็ได้บรรลุได้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 ไม่ได้ไม่ได้บอกให้ออกมาหรอกเพียงแต่เพียงแต่เพียงแต่ว่าหมอไม่มีรู้ทันกี่เลนแล้วก็เลยอดที่จะไม่ถึอดที่จะแย้งไม่ได้รู้ทันมากกว่าขาดแล้วมากลับไม่ได้ดูในห้องหมอที่าไม่ถึงว่าเทียบเทียบครั้งกับครั้งอ๋อใช่ไหมอะไรรู้รู้ทันแล้วรู้ทันในแง่ที่ยุนมันได้เปล่าเลกมันได้เปล่าก็คือรู้ทันในแง่แง่ที่ว่าเราเราไม่ตอบเต้าแล้วเราเห็นนะเราต้อง อย่างวันนั้นน่ะจะจะออกมาทําบุญนั่นแหละเสร็จสามีาก็ส่งเสียงไม่พอใจแล้วเราก็หยุดฟังอนะฮะถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คงจะต้องโต้กลับไปแล้วะแต่ว่านั่นนาทีนั้นเนี่ยก็ทันนะฮะทันเหน็นจิตที่แกว่งแล้วก็ไม่ได้ตอบโต้เขาคงงงเหมือนกันด้วยก็เฉยเฉยก็ไม่ได้ว่าอะไรก็จะไปก็จะไปะอ่ะอืแต่ก็ไม่ได้แสดงโกรธตอบอะไรคือจะเป็นเมื่อก่อนก็คงจะ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 เขาก็เป็นคนดีอค่ะแต่ว่าเพียงแต่เขานี่ยังไม่เห็นทุกข์องการเยียนบ้านตายเกิดแต่ตั้งกราบขอเพราคุณครูบาอาจารย์เจ้าค่ะเพราะว่าหล้งแต่ตั้งแต่มากราบเนี่ยก็ก็เห็นว่าได้ได้ข้อร้จุบันแล้วก็มาหาครูบาอาจารย์เป็นระยะเจ้าค่ะมันมาส่งกันบ้างในความรู้สึกนะเจค่ะ การบ้านของเราเวลาเราดูลูกศิษย์ส่งการบ้านเราดูที่ไหนรู้ปะดูที่ทรงผมผมมันสั้นลงรึเปล่าาไมมีผมเลยยิ่งสั้นใจยังไม่ถึงนั่นสิบอกเราดูการบ้านตรงนั้นเ่รแล้วม่ีต้องปจุบัติธร้มีบนนี้กับมีค่ะ คือวันนี้ก็เป็นของที่อยู่ของพระของคารวะก็ต้องไปหาที่อยู่กันเองเนื้อมีบ้านของป่าไม้เกาให้อยู่ได้ที่พี่ปกมาสร้างแต่ก็ต้องไปปฏิบัติเองไม่มีใครมา ก, กำกั บ, บ, บต้องอินดิเพนเดนต์ละเหมือนกับเรียนออนไลน์เรียนคนเดียว <ละ S 1> คือไปปฏิบัติแล้วอาศัยสถานที่ปฏิบัติเราเขามีที่ที่มันสงบ ไม่วุ่นวายไม่มีอะไรม า, าสร้างความกระทบกับจิตใจแต่เราต้องเป็นตัวผู้ที่จะปฏิบัติดึงใจให้เข้าไปสู่จุดของความสงบให้ได้เนี่ยเป้าหมายกันการนออกมาอยู่ป่าอยู่เขาอยู่คนเดียวนี่ก็เพื่อจะดึงใจให้เข้าสู่จุดที่มันสงบที่สุดแถ้ามันเข้าจุดนั้นแล้วมันสบาย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 พยายามตัดมันยังยือดอยู่กับการหาราบยศสรรเสริญก็ต้องตัดมันยังยืน อ, อยู่บนความสวยความงามของร่างกายก็ต้องตัดมันไหวเป็นหัวโลนแต่ละเหยเลยปสบายจะตายเลยอาบน้ําก็ไม่ต้องหวีเผ้าหีผมไม่ต้องสะไม่ต้องเช็ด วมันสวยที่ไหนคนเราสวยที่ไหนจริงๆมันสวยที่กายและสวยที่ใจหน้าตาสวยแต่ไม่มีศีลธรรมนี่มันสวยไ o มไ f ย you know, hmm. people are p o t o o k i n e so l o o k i n k You only need to look look at Pattaya itself. Hmm. In Pattaya.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 Good and bad in every mm -hmm. races, every nationality. Yeah. Mm. So the Buddha said, just avoid the bad people and try to associate with just the good people. The thing of him is not related to us. People come, we don't get better. People don't come, we don't get worse. Why care? Care about ourselves. We know. แล้วนะมีอะไรอีกไหมลองไปอ่านดูไปฟังดูนะแล้วคิดดูสิว่าจะทำตามที่ได้อ่านได้ฟังได้หรือเปล่าเออใช่นั่นนี่มีเยอะเขาเลี้ยงไว้แล้วเขาก ว, วางเลี้ยง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 แล้วพอออกมาลูกมาเขาก็เลี้ยงไว้ในทอบระยะหนึ่งก่อนพอเขาโตช่วยๆันไอเขาก็ไปให้เขาหากินเองหมดไปพันธุ์นี้จะใหญ่เหมือนคนนี่เลยก็เนินอ่ะมันมีหลายขนาดไงมันมีหลายขนาดเลยเล็กก็มีใหญ่ก็มีมันมีหลายพันธุ์ด้วยมีเก้งมีกวางมีมะม่งอะไรเขามีชื่อต่างกันขนาดสวยดียังขายเยอะ้ยตอนคืนจะออกมาเยอะสังหมุนี่กี่ไร่นะคบ ประมาณสอง0ันได้ <c oughs> ทั้งเขาเนะี่ย <c oughs> ทั้งเขาประมาณสองพัน่มันอยู่กี่วันได้กี่วันได้ได้แค่แควันแต่ทั้งหมดนี่ได้ประมาณสิบแปดวัน เ, เพราะว่าเมืเ่อเมื่อปีที่แล้วนี่ได้สิบห้าวันไม่สมามวันไม่สวันเพะากลม ท, ที่จะเดินทามานี่คิดว่าดีมหที่ที่ดีไหมดีนะสับสปเป็นากมาก อยากจะเรียนถามท่านผู้จัดการว่าถ้าเราเดินชม ก, กลมกับกัน่งเนีนะคะรอบล่างจะ ม, มีอันตรายไหมครก็สังเกตุไม่น่าจะมีมถ้าอยู่<ม><ม>ในปา่า<ม>อันตรายจากสัตว์นี่มันเป็นอันตรายแฝงคือเราคิดไปเองแต่ที่น่ากลัวคืออันตรายคน <c oughs> แต่ถ้าไม่มีคนก็ไม่ต้องกังวลสัตว์มันจะไม่เป็นสัตว์ที่จะมามาบวกทำร้ายเราหรอก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 อาญาโยมมาได้ใช่บริเวณนี้เท่านั้นเองแต่ข้างล่างนี้อะไรคะต้อ ง, ต, องต้องไปถามป่าไม้เขาเราไม่รู้